พระทั้งหมดส0มาชัน23นอกนั้นไม่มาอดอาหารไม่ฉันอาหารเป็นธรรมดาของพระป่าพระป่าพระดงพระกรรมฐานมันเป็นปฏิปทาอดอดจากอยากเป็นปฏิปทาที่ว่าต้องพยายามฝึกตนเองขนาดชันมือเดียว ก็ยังงดเว้นไม่ฉันอีกทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นในหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบาเพ็ญ6ปีมีมีข้อหนึ่งเรียกว่าอัตตะกิละมัทธานุโยกการทรมานกายให้ลำบากเปล่าคือพระพุทธองค์อดอาหารถึง49วันไม่ฉันพักระย า, ารเลยถ้าจะว่า ท ร, รมานก็ท ร, รมานอย่างสุดๆจนขนทุกเส้นหลุดออกขนหลุดเหมือนกันลูกไปในขนหลุดเพราะอะไรเพราะขนไม่มีไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงมันเหมือนกับต้นไม้นะ่ะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงมันก็นตายอันนี้ก็ขนของพระพุทธเจา้าก็หลุดเหมือนกันเวลาลูกไปแล้วก็ลูกหน้าท้องเหมือนกับลูก กระดูกสันหลังแค่คำว่าหน้าท้องมันเหี่ยวไปกระติดกระดูกสันหลังอันนี้ก็คือการอดพระกยายฐารของพระพุทธเจ้าสมัยนะั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าในช่วงเป็นศิทธะอยู่การบําเพ็ญอันนั้นคือส่วนหนึ่งอัตตะกิละมัถฐานุโยกถ้ายอ่อหย่อนเกินไปกินแล้วนินกินแลนอนเหมือนหมูอันนี้ว่ากามสุขันลิกา การบาเพ็ญแบบย่อหยอดจนไม่มีการฝึกขัดดัดขัดเกลากินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนเหมือนหมูอเง้ น, นอันนี้ว่ากามสุขันลิกามัชิ ม, มาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่อดมากไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปคล้ายๆว่า เดินสายกลางคำว่าเดินสายกลางเนี่ยใครเป็นผู้ให้คำคำว่าเดินสายกลางใครเป็นคนตัดสินแต่โดยมากถ้ากิเลสตัดสินมันก็ว่าขนาดนี้พอละกินขนาดนี้พอแล้วนอนขนาดนี้พอแล้วแต่ถ้าหาว่าให้ทำตัดสิน ก็เหมือนกับคนจนกับคนรวยตัดสินอย่างนั้นน่ะถ้าคนจนตัดสินเนี่ยขนาดนี้ก็พอละ อ, อทําการงานมากั น, นอนกุ้ยซะก่อนไม่กระตือหรือลน้นถ้าเศรษฐีตัดสินบาเนี่ยโอ้ไม่ได้ อ, อต้องทําอย่างนี้เผื่อนั้นทํามันนั้นเผื่อนั้นทํามันนั้นเผื่อนั้น อ, อถ้าทําอย่างนั้นต้องรายได้จฉะนั้นต้องมาอย่างนี้อย่างนี้ คือตเศธีเศฐีคิดกับคนจนทุกคิดเนี่ยมันต่างกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะเศ ธ, ธีทำกับทุกขตารมเลยคิดก็ต่างกันอีกถ้าทุกขตารำเนี่ยพวกหมูคิดมันก็คิดอีกแบบแบบหนึ่งเหมือนกันเถอถ้าคนเป็นอัจฉริยะคิดก็คิดอีกแบบหนึ่งไม่คิดเหมือนหมูเหมือนกันเถะ เพราะนั้นคําไหนที่จะว่าเอามาตัดสินเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาตรงนี้แนหะจะเอาความความสายกลางนะเอาตรงไหนมามาเป็นผู้ตัดสินอันนี้มันต้องอยู่กับตัวเองถ้าเรากินมากๆนอนมากๆากิตตภาวนาเราภาวนาเป็นยังไงแต่ถ้าเรากินน้อยนอนน้อย เล่งความเพียรน้อยอดอาหารมัง่งอิ่มมัง่งอดไร้หวันมั่งแล้วก็ฉันมัง่งอดบัง่งแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเพราะเรา พ, พวกเราหาธรรมไม่ได้ไม่ได้หากิเลสหาธรรมในจิตใจทีนี้ถ้าว่าผู้ที่สนใจในธรรมอดอาหารความหิวก็จริงอยู่แต่จิตใจปลอดโปร่งความง่วงเหงาหาลอนอนจะไม่ทับถม ไปนั่งภาวนาที่ไหนสติดีมากเพราะอาหารไม่มีในท้องแต่ถ้าว่ากินข้าวให้อิม่มทานอาหารให้อิม่มพอหนังท้องตึงอาหารดีๆเลยเกิหนังตาย่อนนอนปืออยู่ทั้งวันภาวนาท่าไรก็มีตลับสับประหกงกงก็งามาตำหนิเอา้าทำไมเรานั่งภาวนาทำไมมันง่วงขนาดนี้ทำไมมันตะกอนทำไมไม่ง่วงทำไมมันง่วง เ, เราทำไมไม่สะแสวงหาวิธีการบ้าง อดอาหารดูสิเป็นยังไงผ่อนอาหารดูสิเป็นยังไงไม่ฉันเฉลยเป็นยังไงไม่ฉันสองวันสามวันสวันหวันเป็นยังไงอันนี้คือวิธีการที่จะโสะแสวงหาธรรมในจิตใจก็เหมือนกับคนโสแสวงหาทรัพย์ภายนอกนั่นแหละแต่ ถ, ถ้าว่าคนโสแสวงหาทรัพย์ภายนอกวันไหนกับวันเกา่าวันไหนกับวันเก่าซื้อบือ้อซื้อบือ้อมันเป็นเศรษฐีไม่ได้หรอก ถ้าคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องฟิตทำอย่างนี้เพื่ออ น, นั้นทำมา น, นั้นเพื่ออ น, นั้นทำอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ทำอย่างนี้ไม่มีไรายได้ที่เสริมเข้ามาควรจะเปลี่ยนแปลงพลิกแผงขึ้นมาใหม่อีกต่อไปก็ไปได้คนอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาจิตภาวนาที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัว ท, ท่านพาดําเนินมาแล้วสายขององค์หลวงปู่มันวิธีการปฏิบัติทำยังไงวิธีการภาวนาทำยังไงวิธีการอดนอนพรอาหารขนาดไหนพอดีแต่ว่าการอดอาหารเนี่ยบางองค์ก็ไม่ถูกกับเจริตนะไม่ใชไ่ไม่ใช่จะถูกกับเจริตทุกคนไม่ใช่คืออย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าการอดอาหารกับเราไม่ถูกกัน เวลาดอดอาหารคิดอะไรไม่ออกพอมันหิวเขามาแล้วคิดไม่ออกเลยงุ่นง่านไปหมดไม่ได้อดอาหาราถ้าผอนอาหารได้อยู่แล้วก็อดนอนเราถูกก็อดนอนพออดนอนเข้าไปเออรู้สึกปลอดโปร่งไม่นอนเลยทั้งคืนเดินอยองกลมนั่งภาวนาจิตใจรู้สึกปลอดโปร่องอดอานอนอดนอนได้แต่ว่างองบอกโอ้อดนอนไม่ไหวพออดนอนเข้าไปแย่มากเลย คิดอะไรไม่ออกยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อนี่เป็นต้นถ้าอดอาหารถ้าอดนอนเนี่ยวันที่หนึ่งหลวงพ่อเคยอดวันที่หงไม่นอนคืนที่สองไม่นอนคืนที่สามพอคืนที่สามนะพอวันที่สี่ขึ้นมามองไปที่ไหนต้นไม้เนี่ยใบเหลืองหมดเลยค่อยๆมันง่วงมันอยากหลับมันค่จะบังคับมันไม่ให้มันหลับให้มันจูงกับมันคิดไม่ออกเลยบัดเนี่ยโอ้ การอดอดนอนเนยไม่ท่าไว้ไม่ถูกกับจริตของเราตอนนี้พอมาอยู่ที่บ้านตาทกนี่อดอาหารวันแรกเออเข่าท่าวะ่ะต่อมาอีกอดอีกวันที่สองที่สามที่สี่เออเขาา่าท่าจนต่อมาอีกเอา้าวันนี้จะอดอาหารและคราวนี้ว่างๆไม่มีอะไรในภายในวัดไม่มีอะไรนะครูบาอาจารย์หลวงตาท่านไม่ได้มีอะไรงานในวัดก็ว่างไม่มี เอาจากนี้ไปเจวันข้าพเจ้าจะอดอาหารแต่ว่าการอดอาหาร7วันเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งสัจจะเด้ถ้าว่าอดออกไปแล้วสองสามวันนี่มันภาวนาไม่เป็นสังขารมันปรุงฟุ้งซ่านเอากลับมาฉันก่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยภายในเจวั น, เ, นเราจะอดอาหารคือไม่ได้ตั้งสัจจะในการอดถ้าใครก็ตามถ้าตั้งสัจจะในการอดอาหารไม่ดี บางทีมันบางครั้งมันเหมือนกับเราไปทํามาค้าขายไม่รวยอย่างนั้นอ่ะไปทํำไหนมันก็ไม่รวยไปไหนมันรวยก็จะเอาไปฝืนไปทําไมถ้าฝืนไปเท่าไรก็ยิ่งเสียหายมากต้องกลับมาซะก่อนต้องกลับบ้านซะก่อนตั้งหลักใหม่เนียค่อยไปใหม่อีกไม่ใช่เลตั้งสารค้าพระเจ้าจะไปค้าขายเจดวันขาดทุนขนาดไหนก็ต้องอยู่เจวันเลยคนไม่มีอยู่ในตลาดก็ต้องอยู่ในเฝ้า ร้านขายกาแฟายังได้เจ็ดวันทั้งที่คนหนีหมดแหละเพราะว่าเข้าค่าาพเจ้าตั้งสัจจะแสดงว่างโง่มากพอได้ตั้งสัจจะไว้แล้วถึงคนจะไม่มีค่าพรเจ้าก็ต้องเฝ้าอย่างนี้แหละเพราะข้าพเจ้าได้สัจจะว่าจะอยู่นี่เจ็ดวันอันนั้นแย่มากเพราะนั้นการอดอาหารก็เช่นเดียวกันไม่ควรจะตั้งสัจจะ พอภาวนาไปแล้วสังขารสัญญาสังขารมันตีปุงฟุง้งโก้ไม่ไหวไหมต้องกลับมาก่อนถ้าคืนอยู่เป็นบ้านแน่แนฮะอย่างนั้นมันก็มีได้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวเองถ้าฝึกหัดทางจิตใจแล้วจะรู้ได้วิธีการที่จะสู้กับอารมณ์ภายในจิตใจทีนี้พออดอาหารเอาข้าพเจ้าจะอดอาหารขราวนี้เจ็ดวันแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งสัจจาะนะ แต่ว่าถ้าอยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรถ้าอยู่อาจจะกว่านั้นก็ได้ถ้าภาวนาสนุกจิตใจสบายจากนั้นก็เอาละถึงข้าพเจ้าจะไม่ให้ใจคิดไปทางอื่นขณะที่ข้าพเจ้าอดอาหารเดินกับพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธสติจักกับตัวเองตลอดเพราะไม่ได้มาปิณฑบาทเด้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหมูกับเพื่อน นีน่อันนี้ก็คือวิธีการอดอาหารแตนี่เราจะทดลองความสามารถของเราเราก็ทดลองลเอร่างกายของเราเนี่ยจะทนได้มากข้่ขนาดไหนจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความสามารถขนาดไหนที่จะจะทำให้ใจไม่วุ่นวายใจไม่กระเพื่มร่างร่างกายของเราจะทนได้ขนาดไหน อันนี้ก็ทดลองอดไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยอดไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยดูตัวเองอยู่ตลอดเราไม่ชัไม่ไม่ใช่อดให้ตายเนี่ยเราไม่ใช่อดเพื่อให้ตัวเองตายเราอดไปภาวนาไปรู้แก่ตัวเองว่าเราควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่หลวงพ่อได้อดทดลองอยู่ถึงยี่สิบห้าวันอันนั้นเป็นครั้งที่สูงสุดสําหรับหลวงพ่ออดอาหาร แต่เวัน10วัน15วันเป็นธรรมดาแต่ครั้งนั้นทดลองอดดูถึง25วันบห้าวันนั้นจากนั้นก็ไม่เคยอดถึงขนาดนั้นอีกอันนี้ก็คือวิธีการการภาวนาการอดอาหารแต่จะภาวนาดีในประมาณทักวันที่สีนะ่ที่หวันที่1นะึ่งที่สองมันยังมีความหิวอยู่ความหิวมันยังมารบกวนอยู่แต่วันที่3ที่4ที่5ไปแล้วความหิวมันหมดระบัดเลยแต่วัน เลยวันที่สิบไปแล้วรู้สึกจะเพลียรือปล่ะเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ยจะจะเพลียแต่ตอนเช้าเนี่ยกลางคืนเนี่ยกระปี้กระเป๋าอันนี้ ค, คือคือการสังเกตตัวเองทั้งหมดอาการอดอาหารอดเพื่ออะไรอดเพื่อภาวนาขณะภาวนานขณะอดอาหารเป็นไงสติเราดีไหมดีบางคนดีแต่บางคนก็อย่างที่หลงปูขาวพูดคิดไม่ออกกุดงุนงานไปหมดเพราะหิว อ, อ, อาหารแปลว่าไม่ถูกกับเจริญ นี่แหละการจะทําสิ่งไหนก็ตามฮะมันต้องดูอสังเกตดูตัวเองว่าเราจะทํายังไงบางคนก็เข้าไปเจ้ากินเต็มที่นอนเต็มที่คุยเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดมาบ่นี่กิเลสเต็มที่อยงั้นเลยราคาโทสะโมหะเต็มที่อยู่งั้ น, าา ม, ม, น, นมันไม่ใช่มาฝึกขันดัดนิสัยอย่างนั้นมาส่งเสริมกิเลสมาสั่งสมกิเลสเข้าสู่จิตใจ ใช้ไม่ได้อย่างนั้นมันต้องมาฝึกขัดขัดเรามันจริงจะถูกจิตใจเป็นยังไงถ้าผู้ฝึกขัดแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือการบําเพ็ญภาวนามันก็เหมือนกับการทํามาค้าขายนั่นแหละไม่ไม่ผิดกันะการทํามาค้าขายก็เหมือนกันเราต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความคิดต้องใช้ความอดทน ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาประจําอยู่ในจิตใจตลอดนะฮะไม่ว่างานยังไงไม่ว่าการทางโลกไม่ว่างานทางธรรมฉันทะคือความพอใจวิริยะพยายามเพียรจิตตะเอาใจฝักไฟวิมังสาไใจตรองเหตุและผลนะอันนี้อิทธิบาทสใช้ได้ทั้งทั้งโลกใช้ได้ทั้งทั้งทั้งทางโลกและทางธรรมประมานั้นตัวนั้นการอดอาหาร อย่างที่หลวงพ่อพูดไม่แ น, นะนําว่านี้ถูกต้องไม่ได้ว่าอย่างนั้นเอให้ทดลองดูสําหรับผู้ปฏิบัติเอเหมือนกับคนทํามาค้าขายเเขาเอเห็นคนหนึ่งว่าทาสวนมันอสวนมันเแหละถูกต้องที่สุดพอตัวเองไปทําก็เจ๊งคนหนึ่งเอาสวนยางนี่แหละถูกที่ถูกต้องที่สุดเอพอไปทําเข้าไปไม่ได้เรื่องปุ่นหนึ่งทำํำนานดีที่สุดเออ การทดลองดูอ่เป็นการทดลองดูอ่มันถูกกับจริตไหนฉลกมันถูกกับอันไหนอันไหนเหมือนกันเถิดเออวิธีธรรมะข้าขายอยู่เฉยเฉยเป็นไงอยู่เฉยเฉยก็ไม่มีเงินมีทองจนไปเรื่อยเืยเออเหมือนกับเขาเขาพูดเป็นนิทานตลกตลกจระเข้ขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจอกหางกินเน่ยตกผลไมสดกินหางตัวเองเไปมากินขาตัวเอง กินตัวเองเอาไปามาหัวจัดปากตัวเองกระโดดลงน้ำอันนี้จระเขกขี้เกียจเอันนี้คุเบือนกันการทำมักค้าขายท้งว่าไม่คิดอะไรมันนั่งอย่างนั้นน่ะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้การภาวนาก็เช่นเดียวกันที่จะเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบำเพ็ญมาเออกดลอดลม้มหลอดตายเราอ่านประวัติท่านก็รู้ อย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนการบําเพ็ญทงหปีเป็นแนวทางของพวกเราสลบถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดสรุ้และก็พระสาว o พ, พระจักคูบาลตาแตกอดฝดนอนสาเดือนตาแตกจักษุแตกจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระโสนะเป็นลูกเศรษฐี ฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเป็นขนเหมือนกันแต่ไม่มีในยุคนั้นไปที่ไหนคนก็ดูวฝ่าเท้าเป็นขนมีขนเกิดในฝ่าเท้าบนในสุขุมวิมุตติในพุทธศาสนาพอบวชเสร็จแล้วก็เดินโยงกรมหยุดฝ่าเท้าแตกพอฝ้าแตกเอาศอกคลาดอีกคานศอกแตกอีกหัวเข่าแตกอีกเอาอกถูอีกอกแตกอีกจนถึงร้องไห้พระพุทธเจ้าเลยไปพูดให้ฟังการทําความเพียรไม่ใช่จะทําอย่างนั้น ต้องดูที่จิตใจเข้าไปอีกท่านก็ได้ดูทางจิตใจท่านก็ได้เป็นพระอาหารหันต์นี่แหละการทําความเพียรของพระในข้างพระพุทธเจ้าท่านทําถึงขนาดนั้นแหละอันนี้ก็คือเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของพวกเราเดินตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาถึงได้พูดเบื้องต้นว่าการบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปฏิปทาที่ว่าอดอยากเป็นปฏิปทาที่ว่า รู้เท่ารู้ทันไม่ใช่ปฏิปทาที่เหลือเฟือฟุ่มเฟยเหมือนกับทางโลกเขาถึงจะมีมากกับอภิชาตาสันตุติคถาอย่างที่องค์หลวงตาเปิดเทปเมื่อคืนให้ฟังนะั่นให้รู้เท่ารู้ทันอยู่เสมออันนี้คือนักปฏิบัติผู้ที่จะเดินทางพ้นทุกนายวัฏสงสารแต่สำหรับครวญาติโยมเออเอามีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นพอ แต่สำหรับนักพรตนักบวชแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดต้องเดินตามแถวแนวนี้แต่ถ้าว่าเป็นฆราวาสญาติโยมก็คืเอาทำมาหาเลี้ยงชีพไปมีทานมีศีลมีพภ า, าวน า, าสร้างคุณนามความดีไป อ, อันนี้ก็คือสําหรับฆราวาสญาติโยม เ, เพียงพอแต่สําหรับพระที่เป็นแนวหน้าแล้ว เ, เข้มงวดกวดขันเข้ามาอีก อ, อดนอนผอนอาหารบําเพ็ญภาวนาอย่างเข้มงวดกวดขัน มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นลหละคือเป็นหน้าที่ของนักพรตพระอลับพรนะต่านในหะลวงพ่อพูดจะยาวนานเลยวันเลยสัพพโร